ด้วยคำว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องตายเพราะว่าชีวิตมีความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งหลายผู้เข้าถึงผลแห่งบุญและบาปจากไปตามกรรมผู้ทำความชั่วจกไปสู่นรกแสดงว่าปฏิปทานเลวมากใช่ไม่ได้ไอคำว่านรกเนี่ยแค่ว่าเอาสูงสุดไว้ก่อนนะนะเอาเอาลึกที่สุดะนะแต่หมายถึงเปรตอสุรกายและเดรัจฉานรวมไว้ด้วยผู้ที่ทากรรมชั่วก็ ไปสู่าบายทุกขติวินิบาตนรกนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานนั่นเองส่วนผู้ทํากรรมดีจากไปสุขเติอันนี้คือปฏิปทาที่ดีนะก็ไปสู่สุขติเหมือนเรามานี่แหละเ น, นี่ยนะเราก็มีบุญกันนะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยทําบุญมาไม่น้อยอดีตทําบุญอะไรมาเนาะจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ดูว่าชาติหน่าจะได้คืนหรือเปล่าแต่เขามาไม่อยากได้คืนหรอกกลัวจะตายอยู่แล้วเนี่ยทำไมอะ ไอ้กลัวไม่ได้ทำบุญน่ะนีเกิดมาแล้วทำบาปอีกบานเบอดแล้วกลัวจริงๆเลยนะครับมนุษย์นี่ถือว่าผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเป็นผลของบุญใช่ไหมก็ถ้าพบต่อๆไปจะได้เกิดในมนุษย์หรือสวรรค์เป็นต้นก็ถือว่าเป็นปฏิปทาที่ดีเป็นอะไนะเป็นสุนะสุ ป, ปฏิปทาชก็คือปฏิปทาที่ดีอีก คำว่าส่วนอีกผลหนึ่งจเจริญมรรคแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพานเพราะนั้นข้อปฏิบัติคืออารยมรรคเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อล่วงเลยบุญและบาปเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้พ้นจากวัตฏะในภูมิสาอบายเป็นผลแห่งบาปสุขติเป็นผลแห่งบุญพนั้นปฏิปทาที่ทําให้รู้แจ้งแทงตลอดพระนิพานเป็นปฏิปทาที่ล่วงเลยบุญและบาป ในปฏิปทาทั้งสามอย่างนั้นปฏิปทาที่ดีและปฏิปทาที่ไม่ดีเป็นปฏิปทาเดียวกันที่เป็นปฏิปทานนําไปสู่ภพทั้งปวงนะเพราะว่าปฏิปทาบางอย่างข้อปฏิบัติบางอย่างทําอย่างนี้มากรบปฏิปทาบางอย่างทําแบบนี้มากเดรฉานปฏิปทาแบบนี้ทําแบบนี้มากเปรตทําแบบนี้เดรฉมนุษย์ทําแบบนี้เทวดา ทำแบบนี้เทวดาต่างๆทำแบบนี้พรมทำแบบนี้แล้วพรมชั้นต่างๆเป็นต้นก็จะมีปฏิปทาของเขาแต่สรุปรวมๆแล้วจะไม่ว่าจะทําดีหรือทําไม่ดีโดยมากก็ปฏิปทาเพื่อวิบากและกรรมชั่วปฏิปทาเพื่อวัตตะนั่นเองส่วนปฏิปทาอันหนึ่งนําไปอบายปฏิปทาอีกอันหนึ่งนําไปสู่สุกติโลกสวรรค์ส่วนปฏิปทาที่ล่วงเลยบุญและบาปเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงพระนิพพาน เป็นสภาพจริงแท้ไม่แปรเปลี่ยนเป็นสภาพที่เป็นสัจจะใช่ไหมเพราะมีการแทงตลอดอริยสัจจะเมื่อมีการแทงตลอดอริยสัจจะจึงพ้นจากวัตตะทั้งปวงเนี่นะมันข้อปฏิบัติที่ทําให้พ้นจากวัตตะเป็นข้อปฏิบัติที่จริงที่แท้เนี่ยนะมูธรรมะมีสามอย่างนะกลุ่มธรรมะมีสามอย่างก็คือกลุ่มธรรมะที่มีสภาพเป็นความชั่ว และให้ผลแน่นอนในลำดับจุติติดต่อกันไม่มีระหว่างขั้นอันนี้แน่นอนมากแต่ความแน่นอนที่เลวมากเหมือนกันเรียกว่าอะไรนะชั่วสมบูรณ์แบบนะนะเรียกว่าจะต้องให้ผลอย่างแน่นอนไม่มีอะไรจะเปลี่ยนอีกแล้วคืออะไรมิัตตนิยตาธรร ม, มนะก็คือมิจชะตะธรรมมีอะไรบ้างอนันตริยกรรมห้าข้าพ่อข่าแม่ข่าพระพารันทำโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห่อทำสังฆเภท หรือมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นที่เป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิอ่าพวกนี้ก็ปฏิปทาที่ชั่วมากและก็ให้ผลแน่นอนตกนรกแม่เป็นต้นเนี่ยนะส่วนหมู่ธรรมที่เป็นความดีและให้ผลในลำดับแห่งตนติดต่อกันไม่มีระหว่างขั้นอันนี้เป็นอะไรสัมมัตานิยตาธรรมาหมายถึงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดที่ประชุมกันอันนี้เป็น สภาพที่เป็นความดีและแน่นอนเนี่ยนะถ้ามัสมีองแปรประชุมกันนี่ให้ผลไม่มีระหว่างขั้นส่วนธรรมที่เหลือไม่แน่นอนเรียกว่าอนิยตาธรรมมาก็ก็ตรงนี้ก็แบ่งเปน็นนมิฉัตานิยตาธรรมมาส ม, มัตตนิยตาธรรมมาและอนิยตาธรรมมามิจฉัตตนิยตาธรรมมานั้นหมายถึงนิยตะมิชัติทิฐิและอ น, อนันตริยกรรมอันนี้ชัวแล้วก็ให้ผลแน่นอนจูตีและปฏิสนที่ ปฏิรับวิบากนั้นแน่นอนเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นต้นส่วนสภาพที่เป็นความดีให้ผลไม่มีระหว่างขั้นก็คือโสดาปฏิมัค ก, ก็ให้ผลไม่มีระหว่างขั้นสกะทาคามีมัค ก, ก็ให้ผลไม่มีระหว่างขั้นอนาคามีมัคก็ให้ผลไม่มีระหว่างขั้นอรหัตตมัคก็ให้ผลไม่มีระหว่างขั้นอันนี้เป็นสภาพที่เป็นความดีและให้ผลแน่นอนเขาเรียกว่าสัมมัตตนิยตาธรรมมาส่วนอากุศลทั่วๆไป อนิยตาทำมาไม่แน่บุญที่เจริญทั่วๆไปก็อนิยตาทำมาไม่แน่เพราะอะไรทำไมจึงไม่แน่ก็สุดแท้แต่ฝักไฝในทางไหนใช่ไหมหมายค่าว่าอะไรนะบุญก็ทำบาปก็ทำเนี่ยตกลงไปเกิดที่ไหนดีที่ไหนดีก็ตัถามใจเอาก็แล้วกันว่าใจเนี่ยชอบทำดีหรือใจเนี่ยน้อมไปเพื่อจะดีหรือน้อมไปเพื่อ ไม่ดีเนี่ยนะก็ดูเอาจากเจตนานั่นแหละในสามอย่างนั้นหมู่ธรรมที่เป็นสภาพความชั่วและให้ผลต่อแน่นอนนะจากจุติไม่มีระหว่างขั้นแล้วก็หมู่ธรรมที่มีสภาพเป็นความดีให้ผลแน่นอนจากจุติโดยไม่มีระหว่างขั้นกับปฏิปทาเดียวกัเป็นปฏิปทาเดียวกันที่ทำให้ถึงพระนิพพานดีแน่นอนเนี่ยเป็นปฏิปทาให้ถึง พระนิพพานแต่ถ้าไม่พวกไม่ดีก็อบายใช่ไหมในสามอย่างนั้นมูทำที่มีสภาพไม่แน่นอนเนี่ยแบ่งเป็นอาการสองอย่างคือปฏิปทาที่ทำให้ถึงพบทั้งปวงเนยนะถามว่าเพราะเหตุไรเพราะว่าบุคคลเมื่อได้ปัจจัยก็พึงเกิดในนรกเมื่อได้ปัจจัยก็เกิดในกําเนิดเดรัจฉานเมื่อได้ปัจจัยก็เกิดในภูมิแห่งเปรตเมื่อได้ปัจจัยก็เกิดในภูมิแห่งอสุรกายอันนี้ ถ้าเป็นที่อื่นๆนะเช่นในอัตกถายาณวิพังเนี่ยอธิบายไว้เลยว่าในการทำกรรม ท, ท, ทความชั่วในครั้งหนึ่งเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าไปไปนรกกันหมดนะอันนั้นคือคื อ, คอในเจตนาสมมติว่าวางแผนฆ่าสัตว์หนึ่งครั้งเนี่ยร่วมกันเช่นหมูมีหมูบ้านหมูบ้านหนึ่งพร้อมกันสามสามัคคีกันเพื่อที่จะฆ่าหมูสักตัวหนึ่งนะฆ่าหมูตัวหนึ่ง ในกิจกรรมเดียวกันเนี่ยนะบ า, นบางคนเนี่ยตกนรกบางคนเนี่ยเกิดเป็นเดรัจฉานบางคนเนี่ยเกิดเป็นเปรตบางคนเนี่ยเกิดเป็นอสุรกายถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเจตนาขณะทมบาปไม่เท่ากันบาปไม่ได้เท่ากันนะเหมือนอะไรเหมือนเรียนธรรมะเป็นต้นนี้ก็ไม่ได้แปลว่าไปเกิดในที่เดียวกันเป็นต้นเพราะอะไรเพราะไม่ได้เข้าใจเท่ากันบุญก็เลยไม่ได้เกิด เท่ากันมันในการทําบุญหนึ่งครั้งก็ไม่ใช่ว่าเช่นอะไรสวดมนต์หนึ่งครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะได้บุญเท่ากันอะไรทําไมอ้าวบางคนก็สวดแบบเข้าใจบางคนก็สวดไม่เข้าใจบางคนก็ปีติบางคนก็อุเบกขาบางคนก็อสังขาริกบางคนก็สะสังขาริกบางคนก็รีบๆให้มันจบเป็นต้นเนี่ยนะก็มีความแตกต่างกันเมื่อเจตนาต่างกันแล้ววิบากจะเท่ากันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นผลแห่งกรรมจึงไม่เหมือนกันเพราะทําเหตุไม่เหมือนกัน แต่ว่าถ้าได้ปัจใจก็ปรินิพานถ้ามักมีองแปประชุมกันก็ปรินิพานสรุปว่าบุญบาปดีชั่วจะไม่มีความเท่ากันนะที่ไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะเจตนาไม่ได้เหมือนกันอย่างบาปที่ทำก็ไม่ได้มีเจตนาเท่ากันบุญที่ทำก็ไม่ได้มีเจตนาเท่ากันเพราะวิบากจึงไม่เท่ากันมักแ8ดที่ประชุมกันก็ไม่เท่ากัน บางมรรคก็เป็นโซดาปฏิมรรคบางอย่างก็เป็นสกัฏาคามีมรรคบางอย่างก็เป็นอนาคามิมรรคบางอย่างก็เป็นอรหัตตมรรคอรหัตตมรรคนี่แหละที่เป็นเหตุให้ปรินิพานการที่พระพุทธเจ้าแจกอย่างนี้ได้รู้ปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงพบทั้งปวงนี้เป็นยามที่เป็นไปโดยเหตุโดยฐานะโดยไม่มีขอบเขตอันนี้เป็นกําลังของพระตถาคตอย่างที่สองเขาเรียกว่าสัพพัทธคามินีปฏิปทายาน เป็นยานที่อย่างรู้ข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้ถึงพบและเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้รู้ให้ถึงพระนิพพานก็ถ้าเราสังเกตดูขนาดหนึ่งนะเวลาเราเดินทางอยู่บนท้องถนนเนี่ยเราจะรู้ว่าทุกคนเนี่ยไปที่สู่ที่มุ่งหมายเดียวกันไหมไม่เหมือนกันก็สู่แท้ต้ว่จะไปไหนใช่ัหมถ้าเป็นในมนุษย์โลกขณะที่กำลังเดินทางอยู่นะบางพวกกาลังจะไป โรงพยาบาลก็คือไปไปอะไรนะไปรักษาเป็นต้นบางพวกก็จะไปไหนอยู่บนรถไปเข้าห้องขังบางพวกก็ไปจุติบางพวกพวก็กลับบ้านเป็นต้นก็คือสรุปว่าบนท้องถนนเนี่ยไม่ได้ไปเหมือนกันอันนี้ทางบนโลกนะทางในโลกสิ่งที่ทําคําที่พูดในชีวิตประจําวันก็เหมือนกันไม่ได้แปลว่าจะไปที่เดียวกันนะตอนทํากรรมอาจจะทําใกล้ๆกันนะนะแต่ว่าวิบากที่จะสเสวยต่อไปก็ ตามสมควรแก่กรรมนงอย่าว่าชาติหน้าเลย อ, อีกชั่วโมงข้างหน้านี้เราก็ไปต่างกันแล้วนะต่างคนต่างไปแล้วเอาบอกว่าือใครจะอยู่บ้างอยู่เจ้าของบ้าน <c oughs> แต่ว่าสรุปว่าสัตว์ทั้งหลายก็มีแต่จะเป็นไปตามเป็นไปตามกระแสของตัวเองเนี่ยนะเป็นไปตามเหตุไปเป็นไปตามปัจจัยขณะเดียวกันเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้เลยว่าสิ่งที่ทําคําที่พูดความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะพระองค์แบ่งเลยว่าถ้าทําอย่างนี้ตกนรก ทำอย่างนี้เกิดเป็นเปรตทำอย่างนี้เดรัจฉานทำอย่างนี้เป็นอสุรากายทำอย่างนี้ให้เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์แล้วแบ่งได้ด้วยนะว่าควรจะเกิดที่ไหนแล้วบุญที่นําเกิดเนี่ยควรจะอายุเท่าไหร่สังคมสิ่งแวดล้อมเป็นต้นเป็นอย่างไรถ้าไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์แล้วเกิดในสวรรค์ชั้นไหนเป็นต้นแล้วเกิดในจักรวาลไหนเป็นต้นพระพุทธเจ้ า, านี่รู้ทั้งหมดเพราะจักรวาลไม่ได้มีอยู่จักรวาลเดียวจักรวาลมีเท่าไหร่จักรวาลมีเท่าไหร่ ก็ไม่มีใครนับหรอกเยอะที่สุดนะไม่มีที่สุดใช่ไหมเขาบอกว่าก็จำได้ว่าสิ่งที่ไม่มีที่สุดเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งสิ่งที่ไม่มีที่สุดมีอะไรหนึ่งอากาศนี่ก็ไม่มีที่สุดสองหมูสัตว์ก็ไม่มีที่สุดสามจักรวาลไม่มีที่สุดสี่พุทธยาณไม่มีที่สุดเพราะนั้นก็ดูเอาละกันว่าควรจะไปอยู่จักรวาลไหนดี คงอยู่มงคลจักรวาลมั้งเนาะจักรวาลที่มีพระพุทธเจ้าอ่ะเอาจักรวาลนั้นแหละงั้นนะนี่ยนะอันนั่นเรียกทวีปทวีปแปลว่าเกาะไม่ใช่จักรวาลนะจักรวาลก็คือเนี่ยนะองค์ประกอบคือมีดวงอาทิตย์หนึ่งมีดวงจันทร์หนึ่งมีโลกหนึ่งก็คือระบบสุริยะแบบระบบสุริยะจักรวาลอะไรเงี้ยแล้วก็จักรวาลแบบนี้มันมีเป็นนับไม่หวไม่ไหวจักรวาลก็เป็นสิ่งที่ไม่มีที่สุด ข้อปฏิบัติเจตนาในวิถีชีวิตเนี่ยนะสมควรจะไปที่ไหนเป็นต้นเนี่ยคือถ้าพูดแบบอะไรนะเอกนัยหนึ่งก็พระพุทธเจ้าเหมือนกับอาจารย์ใหญ่ที่เก่งมากเลยนะมองหน้าเด็กหนึ่งคนรู้ได้เลยว่าเด็กคนนี้ที่สุดของเด็กคนนี้จบที่ไหนจบที่ไหนแล้วทําอะไรไปตายที่ไหนเนี่ยมองออกตลอดสายมองออกตลอดสายแต่นี่ไม่ใช่เท่านี้นะพระพุทธเจ้าไม่ใช่มองเห็นแก่ภพนี้ทั้งหมดพระองค์เนี่ยรู้ทั้งหมดว่าต่อไปเนี่ยเขาจะไปไหน พบ ต, ต่อไปเขาจะไปเกิดที่ไหนเกิดในครันเกิดในเท่าเกิดในครันเกิดในไข่จะไปเกิดในเท่าใครหรือเกิดเป็นโอปปะติกาไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาที่ทั้งปวงนี้พระองค์รู้ทั้งหมดเพราะดูจากข้อปฏิบัติในชีวิตเนี่ยนะข้อปฏิบัติคือกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมผู้ใดรู้ผลบุญรู้ผลบาปอย่างนี้ทําไมเขาจะต้องไปทําบาปด้วยใช่ไหมคือถ้าแยกออกเนี่ยว่าเออเนี่ยถ้าเราทําชั่วใครไปอะ่ะก็เรา ถ้าเราไปดีแล้วใครไปล่ะก็เราเองนั่นแหละมีเหตุผลจนเราต้องตกนรกไหมมีเหตุผลขนาดนั้นไหมไม่จําเป็นใช่ไหมก็เพราะถ้าเรารู้เหตุแห่งความเจริญและเหตุแห่งความเสื่อมทําไมเราต้องสาบแช่งตัวเองให้เป็นบาปเป็นอกุศลให้รับแต่ทุกข์รับแต่โทษ ร, รับแต่สิ่งที่ไม่ดีรับแต่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปทําบาปอากุศลให้แก่ตัวเองเนี่ยนะทำให้แก่ชีวิต หรือตนของตนก็ยังไม่มียังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกยังไม่ได้ถอนสักกายทิฏฐิขนาดนั้นยังไงยังไงก็อย่าลืมบุญบ้างเนื้ออย่างเงนะบางคนก็เลยอะไรนะทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่างเป็นอนัตตาก็เลยไม่ทําบุญเลยมันก็นั่นแหละเดือดร้อนนะต่อไปอย่าทำอย่างนั้นเลยนะไงยังไงก็บุญเนี่ยเป็นสเสบียงทางบุญเป็นที่พึ่ง น, นะเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่ประพฤติ บ, บุญบุญนี่ก็ จะปกปักรักษาเขาบุญเนี่ยแปลว่ายังวิบากที่น่าบูชาให้เกิดขึ้นเนี่ยนะอย่าลืมบุญเพราะว่าบุญเนี่ยเป็นเหตุแห่งคุณงามความดีปุญญาพิสังขางก็ทำให้เกิดที่ดีนี่ขณะเดียวกันบุญเหล่านี้เป็นอุปนิสัยที่จะทำให้ออกจากวัตตะมันวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะเราศึกษาพระธรรมจนสามารถพยากรณ์ได้ว่าคำพูดหนึ่งคตรงนี้ที่เราพูดคานี้ควรนาเกิดที่ไหนดี เช็คคําพูดทุกอย่างได้หมดเลยนะเช็คสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดความรู้สึกนึกคิดตรวจสอบตัวเองได้หมดโดยอาศัยคําสอนถ้าเราศึกษาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสมวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเนี่ยตรวจสอบวิถีชีวิตของตัวเองหรือบอกไม่แน่เอาแต่ไม่แน่เข้าว่าเลยใช่ไหมเอาแต่อริยะตาธรรมมาเลยอริยะตาธรรมาก็มีอยู่สองอย่างอะไรสองอย่างอะไร เป็ น, ก, ปนกุศลก็มีเป็ น, นอกุศลก็มีไม่แน่ไม่แน่อักแนวโน้มไม่แน่แบบกุศลหรือแบบอกุศลในแน่ไม่แน่ว่าจะให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นต้นเนี่ยก็มามาแยกแยเอากันแล้วกันนะเพราะถ้าหากว่าเราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมของเราในชีวิตจริงเราก็เลือกทําได้เราเลือกพูดได้ไหมได้เลือกคิดได้ไหมได้เลือกทําได้ไหมได้ถ้าเลือกอย่างนี้ได้ก็เลือกชาติใหม่ได้ แต่ถ้าเลือกทำไม่ได้เลือกพูดไม่ได้เลือกคิดไม่ได้ก็เลือกกรรมใหม่ไม่ได้เมื่อเลือกกรรมไม่ได้ก็เลือกวิบากไม่ได้แต่ถ้าเลือกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้เลือกได้เพราะฉะนั้นเลือกที่จะตกนรกก็ได้เลือกที่จะเกิดเป็นเดรัชานก็ได้เลือกเกิดเป็นเปรกก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้เลือกเป็นมนุษย์ก็ได้เลือกเป็นเทวดาก็ได้หรือเลือกที่จะปริจุนนี้ผ่านก็ได้เนี่ยนะแล้วแต่สุดแท้แต่ว่าเราจะเลือกนะเลือกอะไรอ่ะเลือกได้ไหม ถ้าเลือกพูดไม่ได้นี่ก็ที่แน่ๆก็คือตอนต้นเลยก็เลือกพูดก่อนใช่ไหมเลือกพูดแล้วก็เลือกทำแล้วก็เลือกเลือกที่จะคิดตบแต่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้เป็นสุจเรศสามถ้าเลือกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นสุจเรศสาสุจเริตาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติปฐานสี่นะนะสามารถที่จะเจริญสติปฐานสี่ได้สติปทานสี่ก็เป็นเหต like ุใกล้แห่งโพชงโพชงก็เป็นเหตุใกล้แห่ง อริยมรรคนั้นถ้าปฏิบัติตามอริยมรรคทั้งสี่มัรคก็สามารถที่จะเป็นปฏิปทาที่ทำให้ถึงพระนิพพานเนี่ยนะเป็นปฏิปทาที่เป็นเหตุให้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจว์4ประการนั้นก็พระพุทธเจ้าเนี่ยมีอาสาธารรมนัข้อที่สองเรียกว่าสัพพะทัคามินีปฏิปทายาน ยานแรกคืออะไรนะฐานะาฐานัญยานที่รู้ฐานะและอัถฐานะญยานที่รู้สังคตะธรรมทั้งหลายว่าอะไรเป็นเหตุแห่งสังคตะธรรมอะไรอะไรเป็นไม่ใช่เหตุแห่งสังคตะธรรมอะไรขณะเดียวกันพระองค์ก็รู้ว่าสังคตะเหล่านั้นเนี่ยนะการเกิดเป็นสังคตะสังคตะเหล่านั้นเกิดจากปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติอะไรข้อปฏิบัติเช่นไรทําให้มีสังคตะเหล่าใดเป็นต้นพระองค์ก็ รู้แจ้งแทงตลอดอันนี้ก็เป็นกำลังอย่างที่สองของพระพุทธเจ้าส่วนกำลังอย่างที่สามของพระพุทธเจ้าก็คืออะไรยามที่รู้ธาตุเป็นจำนวนมากและธาตุที่ต่างกันน่ะนะเรียกว่า อ, อเนกธาตุญานและก็นานาธาตุญานยามที่อย่างรู้ธาตุจานวนมากและธาตุที่ต่างกันปฏิปทาอันนำไปสู่พบทั้งปวง เป็นโลกโลกเนี่ยนะมีธาตุจานวนมากอย่างด้วยกันอ่ น, นะก็คือเมื่อเมือม่อทําเหตุแล้ใช่ไหมเมื่อทําเหตุก็นําไปสู่โลกทั้งปวงโลกเหล่านี้ก็ยังมาแบ่งเป็นขันขันโลกธาตุโลกและอายตนะโลกในโลกเหล่านี้ก็มีธาตุจานวนมากด้วยกันธาตุจานวนมากมีอะไรบ้างมีมีธาตุสิดหรือธาตุสี่เป็นต้นก็มาดูว่าธาตุเหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไร ปฏิปทาอันนำไปสู่พระนิพพานเป็นโลกในโลกาธาตุที่มีจํานวนแตกต่างกันที่จริงแล้วถ้าหากว่าผู้ใดที่ศึกษ า, าธาตุจนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจก็อาศัยความรู้ในเรื่องาธาตุปฏิบัติเพื่อบรรลุพระนิพพานแต่ถ้าไม่รู้ละ่ะก็เป็นอวิชชาไปเอาถามว่าในบรรดานโลกาธาตุที่มีจํานวนมากมีอะไรบ้างาธาตุที่มันเยอะแยะมากมายเนี่ยนะก็มาไล่าตามทวารกันแล้วกัน ทวารตาที่ลืมตามีอยู่สามธาตุจักคูธาตุรูปธาตุและการเห็นเรียกว่าจักคูวิญญาณธาตุเอากว้างๆก่อนนะเมื่อลืมตาได้สามธาตุนะจักคูธาตุรูปธาตุและจักคูวิญญาณธาตุได้ยินเสียงก็มีสามธาตุคือโสตธาตุสัตธาตุและโสตวิญญาณธาตุธาตุคือหูธาตุคือเสียงแล้วก็ธาตุคือการได้ยินเสียง ทวารจมูกก็มีอีกสามธาตุคือคารณธาตุคันทะธาตุและคารณวิญญาณธาตุเพราะฉะนั้นทวารจมูกก็มีอยู่สามธาตุด้วยกันทวารลิ้นมีอยู่สามธาตุนะนะเฉีวหาธาตุระสะธาตุเฉวหาวิญญาณธาตุนะก็คือธาตุคือลิ้นธาตุคือรสธาตุคือเฉีวหาวิญญาณทวารกายก็มีอีกสามธาตุคือกายะธาตุโพธภธาตุและ กายยะวิญญาณธาตุธาตุคือกายธาตุคือโพธิภพและธาตุคือกายยวิญญาณมโนธาตุมโนธาตุคืออะไรมโนธาตุคือจิตที่เกิดก่อนทวิปัญจและจิตที่เกิดหลังทวิปัญจก่อนที่จะเห็นเนี่ยเกิดมโนธาตุหลังจากเห็นก็เกิดมโนธาตุก่อนได้ยินก็เกิดมโนธาตุหลังจากได้ยินก็มีมโนธาตุก่อนรู้กลิ่นก็มีมโนธาตุหลังจากรู้กลิ่นก็มี มโนธาตุก่อนรู้รถก็มีมโนธาตุหลังจากรู้รถก็มีมโนธาตุก่อนรับกระทบสัมผัสก็มีมโนธาตุหลังรับกระทบสัมผัสก็มีมโนธาตุเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่ามโนธาตุมโนธาตุแบ่งเป็นธาตุที่เป็นกิริยาแล้วก็เป็นวิบากวิบากก็เป็นทั้งกุศลวิบากและอกุศลวิบาก เพราะว่ามนโนธาตุเป็นชื่อของปัญจทวาราวัชะเนี่ยนะจักขุทวารวัชนะโสตทวาราวัชนะขานทวารวัชนะเชวหาทวาราวัชนะและกายทวาราวัชนะส่วนจิตมนโนธาตุที่รับอารมณ์ตามปัญจวิญญาณเรียกว่าสัมปติชนะสัมปติชนะก็คือมนโนธาตุทั้งที่เป็นกุศลวิบากและอะกุศลวิบากเจตสิกทั้งหลายรูปที่เหลือเป็นธรรมธาตุ ส่วนความนึกคิดทั้งหลายก็เป็นมโนวิญญาณธาตุธาตุเหล่านี้เนี่ยพระพุทธเจ้าจําแนกแจกแจงรายละเอียดได้ทั้งหมดของเรามีคนลสกี่ธาตุคนละสิบแปเนี่ยนะเออร่ารวยธาตุมากเลยนะธาตุนี่แปลว่าอะไรแปล ว, ว่าทรงไว้ซึ่งกองทุกขหรือจัดแจงทุกเป็นอเนกธาตุนี้โดยสัพแปลว่าอะไรนะอุปกรณ์ในเครื่องอะไรเครื่องมือในการแจกแจงทุกอะนะเอาทุกทั้งหมดเนี่ยมันมีเกินพวกนี้ไหมเออ ไม่มีเกินเพราะฉะนั้นคําว่าธาตุแปล ว, ว่าตัวที่จัดแจงความทุกได้อย่างชนิดที่เรียกวิจิตมากเหมือนอะไรเหล็กอย่างธาตุเหล็กอย่างเดียวนะมันจัดแจงให้มีอะไรบ้างอะไรบ้างที่ต้องใช้เหล็กโอ้เยอะแยะนะเยอะมากเลยเยอะจนนับไม่ไหวเช่นสักสิบตัวอย่างนะดีนสอก็ยังใช้เหล็กเลยเหมือนกันนะนะก็คือในโลกเนี่ยโดยมากเนี่ยนะก็อย่างโลกใช้เหล็กนะ หรือเหมือนยางพาราเนี่ยนะจะแจกออกมาเป็นเข้าวของเครื่องใช้ได้มากมายฉันใดธาตุสิบแปดเหล่านี้ธาตุทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละทวารเหล่านี้เนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุเป็นตัวที่จัดแจงมหาทุกข์ตัวที่จัดแจงสังสารทุกข์ตัวที่ทรงไว้ซึ่งความทุกขสารพันชนิดนี่แหละรเรียกว่าธาตุมีหน้านะธาตุแบบนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ออก จึงสอนให้ปฏิบัติเพื่อคลายกำนัดคำว่าธาตุนี่กับคำว่าสังสารวัตต่างกันไหมสังสารวัตก็คื อ, คอลำดับแห่งขันธาตุรอระยตนที่ไหลสืบเนื่องกันไปลักษณะนี้แหละเรียกว่าสังสารวัตรเนี่ยนะถ้าแจากแจงแล้วก็คือธาตุไม่ใช่สัตว์การประกาศถึงธาตุก็คือนิสัตานิชีวสุญญสภาวะคือสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุไม่ใช่สัตว์ ปราศจากสัตว์นิสสัตตะไม่ใช่สัตว์ไม่มีชีวะของเดียร์ีคิดขึ้นแล้วก็ไม่มีอัตตะแล้วก็ธาตุเหล่านี้ว่างจากความงามว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนแล้วก็ว่างจากอัตตาเรียกว่าสุญญตาธาตุเหล่านี้มีความว่างว่างจากนิจจะว่างจากสุขะว่างจากอัตตะเป็นต้นธาตุเหล่านี้ดูเยอะเหลือเกินนะเอามาย่อมาน้อยๆกว่านี้ไม่ได้หรือได้ก็คือธาตุดินน้ำไฟลม ดินน้ำไฟลมนี่แหละเป็นตัวจัดแจงทีนี้ช่องว่างระหว่างคือท่าสี่นี้เขาจะมีเป็นกลุ่มกลุ่มท่าสี่ไม่สามารถจะแยกกันได้แต่ท่าสี่มีหลายกลุ่มด้วยกันช่องว่างระหว่างกลุ่มนี่แหละเรียกว่าอากาศอากาศสธาติเรียกว่าช่องว่างระหว่างกลุ่มท่าช่องว่างระหว่างกลุ่มท่าเรียกว่าอากาศสธาติอากาศสธาติคืออะไรคือที่ที่มันไถไม่ได้เออออกในคําทีบางทีก็แปลบางทีแปลง่ายดีนะเนี่ อากาศธาตุคืออะไรก็ที่ที่มันไทยมันหวานไม่ได้ตรงนั้นแหละแสดงว่าสอนไว้สอนชาวนาจริงเลยนะปัทวีธาตุคือธาตุที่ทรงไว้อาโปธาตุที่ธาตุที่เกาะกลุ่มเตโชธาตุธาตุที่ย่อยสลายวาโยธาตุธาตุที่พัดเนี่ยนะธาตุธาตุที่พัดผันปัทวีธาตุคือทรงไว้อาโปเกาะกลุ่มใช่ไหมเตโชย่อยสลายวาโยพัดเคลื่อนไหวธาตุเหล่านี้มันอยู่ รวมกันเรว่าท่าสี่ปั้นช่องว่างระหว่างกลุ่มท่าเรียกว่าอากาศธาตุอาศัยท่ารู้เกิดขึ้นเป็นที่เป็นวัตถุเป็นทวารให้เกิดท่ารู้ น, นะเป็นวัตถุเป็นทวารให้เกิดท่ารู้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่ากายนี้เป็นที่ประชุมแห่งมหาผู้ทั้งสมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบต้องฟัน น, นะเป็นนิดแต่ก็มีความกระจัดกระจายเป็นธรรมดา ก็วิญญาณทั้งหลายก็อาศัยธาตุเหล่านี้เกิดก็อาศัยกายเหล่านี้นี่แหละเกิดนั่นก็เรียกวิญญาณาธาตุปฐวีอาโปเตโชวายโยอากาศเป็นรูปประธรรมวิญญาณเป็นนามรธรรมก็เข้ากับเมื่อกระจายธาตุเหล่านี้ออกไปแล้วก็คือธาตุสิธาตุสิถ้าโย่ออกมาก็เหลือธาตุหเหล่านี้แหละทีนี้ในบรรดาธาตุเหล่านั้นเนี่ยนะจะไม่ว่าจะเป็นธาตุสิหรือธาตุหกธาตธาตุเหล่านั้นเป็นวัตถุกรรม ก็เป็นที่ตั้งแห่งกามาธาตุเพราะว่าการมาธาตุหมายถึงการมวิตกที่ตรึกถึงวัตถุการมทั้งหลายพยาบาทวิตกคือคืออะไรพยาบา ท, ทาธาตุก็คือพยาบาทวิตกที่ตรึกถึงาธาตุที่ไม่น่าปรารถนาวิหิงสาวิตกก็คือาธาตุแห่งความเบียดเบียนาธาตุคือกิเลสกามาธาตุคือความโกรธาธาตุคือความเบียดเบียนนั้นความชอบก็เป็นาธาตุชิดนหนึ่ง ความกโกรธก็เป็นาธาตุชนิดหนึ่งความเบียดเบียนก็เป็นาธาตุชนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นาธาตุที่เลวร้ายนะเป็นาธาตุที่ไม่ดีเลยก็บอกว่าการมาธาตุคือการมวิตกในภายในที่ตรึกถึงวัตถุกรรมทั้งหลายพยาบาทวิตกคือพยาบาทธาตุคือพยาบาทวิตกที่ตรึกถึงวัตถุที่ตัวเองไม่น่าปรารถนาทั้งหลายส่วนวิหิงสาธาตุธาตุน้อมไปเพื่อเบียดเบียนและประทุษร้าย ส่วนเนคข ม, มธาตุคือกุศลธรรมทั้งหมดเป็นเนคข ม, มธาตุอพยาปาทาธาตุคือเมตตาอาวิหิงสาธาตุคือกรุณาเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นธาตุนะกุศลธรรมทั้งหลายก็เป็นธาตุเป็นเนคข ม, มธาตุไม่ว่าจะเป็นกุศลที่เกิดจากทานศีลภาวนาเป็นต้นกุศลนั้นก็เป็นเนคข ม, มธาตุส่วนเมตตาทั้งหลายนะความน้อมนําประโยชน์ไปให้นะการที่น้อมนําประโยชน์ไปให้เรียกว่าอัพยาปาตาธาตุ ความการุณาคือไม่เบียดเบียนน้อมไปที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ของหมูสัตว์อันนั้นก็เป็นอวิหิงสาธาตุหรือที่เรียกว่าการุณาทุกขธาตุธาตุคือความเจ็บปวดปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าทุกขธาตุธาตุคือความเจ็บปวดทางร่างกายโทมณธาตุธาตุคือความเสียใจเนี่ยนะ โทมนัสเวทนาเรียกว่าโทมนัสธาตุธาตุแห่งความเสียใจเศร้าใจนะธาตุแห่งความทุกข์ทางกายกระทาตุแห่งความทุกข์ทางใจธาตุธาตุเนี่ยนะธาตุธาตุแห่งความทุกข์ทางร่างกายแล้วก็โทมนัสธาตุก็คือธาตุแห่งความเจ็บปวดทางจิตวิญญาณแต่ตัวนี้แหละมันทำให้เจ็บจิตวิญญาณเจ็บปวดนักแลเลขาต์หนึ่งก็คือธาตุโง่วิชาธาตุ ท่องตราสว่าดูก่อนกัดจานะก็ธาตุนั้นใหญ่นักแลธาตุนั้นคืออะไรอวิชชาธาตุนี่มันใหญ่นักแลมันแผ่ไปทั่ววัตะในภูมิสามหมดเนี่ยนะธาตุนี้ใหญ่นักแลคืออวิชชาธาตุธาตุแห่งความไม่แทงตลอดอริยสัจนี่อะไรจะใหญ่เท่านี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะอวิชชาธาตุนี่ใหญ่จริงๆเลยต่อไปก็สุขธาตุสุขธาตุก็คือธาตุแห่ง ความสุขทางร่างกายโสมน a าต a ก็คือธาตุแห่งความไม่เจ็บป่วยทางจิตวิญญาณก็คือความสบายใจแล้วก็อุเบกขาธาตุธาตุแห่งความเฉยๆจริงนะบางคนนี่ก็เฉยไม่รู้เฉยอย่างเดียวนะเรียกว่าเฉยเป็นต้นเนี่ยพวกนี้อุเบกขาธาตุไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะเฉยอย่างเดียวบางอันนะต่อไปก็รูปประธาตรูปประธาต์ก็คือรูปประพบหรือธาตุที่มีรูปประธรรม หมายถึงรูปประรมหรือธาตุที่มีรูปประธรรมส่วนอรูปประธาต์หมายถึงอรูปประพบหรือนามธรรมส่วนนิโรธาต์คืออะไรอุเฉท ท, ทิฐินิโรธาต์คือธาตุแห่งความขาดศูนย์ธาตุแห่งความดับอันนี้หมายถึงมิจฉาทิฏฐิที่เรียกว่านิโรทะตันหาหมายถึงอุเฉท ท, ทิฐินั่นเองในดีในอักถาที่บายว่าอย่างนั้นส่วนสังขารธาตุคือสังขตะธรรมสังขตะธรรมก็เป็นธาตุ นิพพานธาตุก็คืออสังคตธรรมทำเป็นที่ดับสังคตเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าโลกเนี่ยมีธาตุเป็นจำนวนมากสรุปได้ธาตุเท่าไหร่เนี่ยธาตุสิบแปดธาตุกนะกุศลแอากุศลธาตุกุศลธาตุทุกสุขเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นธาตุทั้งหลายบรรดาโลกเหล่านั้นโลกมีธาตุต่างกันเนี่ยนะโลกตัวโลกคืออะไร ทำไมนะทวนอีกครั้งโลกคือขันอาญตนะโลกคือขันอาญตนะโลกคือขันอาญตนะมาแจกโดยความเป็นธาตุแจกเป็นธาตุสิแจกเป็นธาตุหแจกมาเป็นกุศลอาคุโสลธาตุเป็นกุโสลธาตุเป็นเวทนาธาตุเป็นอวิชชาธาตุเป็นกามธาตุเป็นต้นเนะหรือเป็นสังคตะธรรมหรือเป็นธาตุดับสิ่งเหล่านี้ได้ก็เป็นอสังคตะธรรมนี่เรียกว่าธาตุมีมาก แล้วธาตุเหล่านี้แต่ละอย่างก็เป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งเช่นจักรครูธาตุก็อย่างหนึ่งรูปประธาตุก็อย่างหนึ่งจักรคูวิญญาณธาตุก็อย่างหนึ่งสรุปว่าในธาตุทั้งหมด41ธาตุเนี่ยก็เป็นคนลธาตุคนละธาตุทั้งหมดเลยนะทั้งหมดแล้วนับได้41ธาตุญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะพระองค์เนี่ยรู้ฐานะอาฐานะโดยขอบเขตนะ รู้ทั้งหมดว่าธาตุเราเนีโดยเหตุเกิดจากอะไรโดยฐานะอะไรขอบเขตของแต่ละธาตุแค่ไหนอย่างไรกําลังนี้ก็เป็นกําลังของญาณของพระองค์ที่อย่างรู้ถึงญาณที่รู้ความว่าธาตุนี่จำนวนมากธาตุนี่เยอะและแต่ละธาตุก็มีความแตกต่างกันอันนี้เป็นญาณของพระพุทธเจ้า น, นะก็ดูว่าธาตุเหใดที่ควรแกการตรัสรู้เป็นต้นหรือธาตุใดเนี่ย เกื้อกูลให้บรรลุได้หรือว่ า, าธาตุเราใดไม่สามารถจะเกื้อกูลได้อันนี้ปัญญาของพระองค์รู้รู้ความแตกต่างการแห่งาธาตุทั้งหลายการรู้าธาตุเหล่านี้เนี่ยนะพระสาวกทั้งหลายพราอรหันเนี่ยนะบางอย่างบางองค์เนี่ยรู้าธาตุเพียงเอกเทศรู้ธาตุสี่เพียงเอกเทศพระพราอรหันสาวกที่สูงสูงขึ้นไปอีกอนะถ้าผาอรหันที่ได้วิชาสามอภิญญาหก ปฏิสัมพิทาสีก็มีความรู้ในเรื่องธาตุแตกแตกฉานยิ่งขึ้นไปกว่านั้นส่วนพาหาันอัคราสาวกก็มีความรู้ในเรื่องธาตุกว้างขวางยิ่งกว่านั้นพระสารีบุตรรู้กว้างขวางมากพระประเจกผู้เทธเจ้ารู้ธาตุทั้งหลายกว้างขวางยิ่งกว่านั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ธาตุไม่มีที่ที่สิ้นสุดเนี่ยนะพระองค์ก็รู้จักธาตุรู้จักความเป็นไปแห่งธาตุรู้จกักลำดับการไหลสืบเนื่องไปแห่งธาตุ รู้เหตุแห่งธาตุรู้ปัจจัยแห่งธาตุรู้ความที่ธาตุเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับขันธาตุเหล่านี้ได้อย่างไรพระ อ, องค์เนี่ย ร, ร่อบรู้แล้วก็สามารถที่จะจัดแจงจำแนกแจกแจงธาตุเหล่านี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งความรู้ในเรื่องธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเหล่านี้นำมาเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ สรรพศาสตร์ทั้งหลายไม่ได้รู้เพื่อจะสร้างระเบิดนิวเคลียร์อะไรที่ไหนรอเนี่ยนะรู้ธาตุเหล่านี้เพื่อจะอ น, นะระเบิดวัตตะทําลายกิเลสวัสดิะว่างเนี่นนะเพื่อที่จะได้ดับกรรมมาวัดได้จะได้ระเบิดตัวเองไม่ให้ปฏิสนธิในอบายเป็นต้นเนี่ยนะันก็อันนี้ก็เป็นความธาตุของพระพุทธเจ้านี่นะมันก็จากการศึกษาเหล่านี้เนะี่ยทาให้เราเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มี ปัญญาปัญญาเหล่านี้เกิดจากอะไรถ้าเรียนจริยาพิดกจะรู้ว่าสิ่งเหล่าความรู้ทั้งหมดเหล่านี้เกิดจากบารมีที่พระองค์สั่งสมมาจึงได้มีความความรู้เหล่านี้เกิดขึ้นเพรา ะ, ะนั้นบุญกุศลที่เราได้เจริญแล้วนี้ก็จงเป็นไปให้เพื่อรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสําหรับวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้